ที่เป็นวิปั ส, สนาที่เป็นปริญญาเข้าไปวิจัยในชั้นต้นนี่นะในเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลกรรมและผลงงกรรมนี่เขาชัดเจนละอันถ้าหากว่าการกล่าวที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยเป็นตรีระนปริญญาแต่อย่างที่คุณวิลาวันกล่าวเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่าปัญหา ก, า, ญญาก็ยังไม่ทันชัดเลยนั่นแหละมันก็ให้ฟังไว้หลา ย, ลายระดับยังเห็นอันนี้สองของตาก็ไม่เป็นไรก็ดีละ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 ในขณะนั้นอันจะต้องอาศัยจากขูพืชเจริญอาศัมโมหะาสาัมปัญญาหรือตั้งแต่ยาตะปริญญาเป็นต้นไปและต่อไปนะจากขูหรือรูปเนี่ยเป็นอนัตตาคำว่าเป็นอนัตตาเพราะอาจว่าอาสารกัตเถนะจากขูเป็นอนัตตาเพราะอาสารกัตเถนะแปลว่าไม่มีสาระเลยจากขูนี่มีสาระไหมสาระในที่นี้คืออะไร เอาเอาเอาสาระก่อนถ้าสาระเป็นยังไงสาระนี่หมายคำว่าสาระหนึ่งต้องสิ่งนั้นต้องเป็นนิจจสาระสิ่งนั้นต้องเที่ยงนะสิ่งที่เป็นสาระหนึ่งเที่ยงสองสุขะสาระมีความสุขสามอัตตะสาระเป็นอัตตาแล้วก็สุภาสาระเป็นความงานแล้วจากสูนี้เป็นนิจจะสาระไหมมีความเที่ยงอยู่ในนั้นไหมไม่มี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 ถ้าหากว่าความยึดถือของเรามากมายขนาดไหนนะสังเกตเอาจากชาจกัสูตรเอามาลองไล่ดูตาสีจกักรคูวิญญาณหูเสียงโสตวิญญาณจมูกกลิ่นคานาวิญญาณค่อยๆไล่แล้วค่อยสังเกตยแยกแยะพิจารณาของแต่ละอย่างแต่ละอย่างให้ให้มีความเข้าใจายอย่างดีลิ้นรสชิวหาวิญญาณกายโพธะ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 ขณาที่ปล่อยปลาเป็นกุศลไหมเอาเป็นสระนได้ไหมแต่คำสอนว่าด้วยการให้ทานคำสอนที่ว่าด้วยการรักษาศีลคำสอนที่ว่าด้วยการเจริญภาวนาคำสอนนั้นเอาเป็นสระนได้แต่กุศลจิตของเรานะที่เจริญเนี่ยดีนะคำสอนบอกว่าดีแต่ว่าอย่าไปยินดีกับกุศลแค่นั้นนะเพราะองค์ไม่กล่าวการหยุดอยู่แห่งกุศลสอนให้เจริญกุศลอย่างเดียว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 โพธารมณังวากุศลจิตเกิดขึ้นโดยมีโพธะเป็นอารมณ์ธรรมารมณังวากุศลจิตเกิดขึ้นโดยมีธรรมะเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าธรรมอารมณ์กุศลจิตเกิดขึ้นโดยรูปารมณังวาเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรกุศลจิตแปลว่าความฉลาดไม่มีโรคไม่มีโทษอนมามัยดีตัวจิตอ น, นันต์เนี่ยเกิดขึ้นโดยมีสีเป็นอารมณ์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 ดวงที่เจ็ดให้ผลเป็นอุปชาชาติหน้าสองถึงหกอัปาราปริยะเวทนิยกรรมชวนาที่เกิดขึ้นในขณะที่เห็นเนี่ยมีผลแล้วชวนาที่เห็นขณะเห็นเนี่ยมีผลต่อไปในอนาคตพบหน้าเราไกลไหมชวนานั้นดับไปปุ๊บจตุติต่อได้เลยจตุติสามารถเกิดต่อจากปัญจทวารวิถีก็ได้ต่อจากมโนทวารวิถีก็ได้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 ยานาทศนาวิสุทธินะฟังบาลีก็เหมือนเมือนเกันนะถ้าใครไม่เคยฟังมาก่อนเลยไม่เป็นไรโหโชคดีเลยนะนะได้ฟังศัพท์ใหม่ๆของของมาอ่านหนังสือธรรมะแรกๆนะโอ้วันนี้เจววัยได้ศัพท์ใหม่เพิ่อมอีกครับ <c oughs> คิดอย่างนี้เอาตัวต้องให้กําลังกายตัวเองหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวเลิก <c oughs> อ่ะนะอ่าวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้นะกรรมที่เราสะสมพอกพูนไว้นะ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 มาจากกรรมกรรมนี่เป็นปัจจัยให้จกักรุปัสสารูปนี่เกิดขึ้นขบอกว่าเป็นความใสของมหาภูตรูปนะจกักรุนี้คือความใสของมหาภูตรูปซึ่งมีกรรมที่เป็นเหตุใคร้จะเห็นเป็นเหตุใกล้ก็คือมาจากกรรมที่มหาภูตรูปเกิดจากกรรมแต่กรรมมันนั้นเนี่ยเป็นกรรมประเภทเพื่อต้องการเห็น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 ความรู้อันนี้เป็นปริญญาไหมเป็นประเภทยาตะปริญญาซึ่งเราจะต้อง พ, อพ่อภูนสะสมวันนี้ก็เลยเออประทับใจไอ้คำว่ามหาภูตรูปนะซึ่งเป็นกรรมอ่าซึ่งมาจากกรรมเป็นเป็นสมุิฐานซึ่งกรรมมา น, นั้นเป็นกรรมประเภทใคร่จะเห็นซึ่งความใคร่อันนั้นมาจากรูปปัตหาหรือกามมตัญหาในในตัญหาสามใช่ไหมการมตันหาภวะตันหาวิภวะตันหา ตัญหาที่ปรารถนาจะเห็นสีเรียกว่ากามตัญหาแต่ถ้าโดยตัญหาหกเรียกว่ารูปตัญหาสัทธตัญหาคันทะตัญหารสตันหาโพธภาพตัญหาธรรมตัญหาอยู่ประเภทรูปตัญหาตัญหาตัวนี้แหละเป็นปัจจัยที่ต้องการเห็นสีทำกรรมเลยทำให้มีจักรูปแตถ้าจักรูไม่มีเนี่ยมันเป็นโลกที่บอดมองไม่เห็นอะไรทักอย่างอันตันหานั้นเป็นปัจจัยเพราะนั้น เห็นเมื่อไร่ปึ๊บเนี่ยโอ้นี่มันตราบุญตราบาปเลยนะั่นเนี่ยตันหาที่เป็นเหตุให้เกิดจากขู่เป็นสัจจะไหมสัจจะข้อสมุทัยสัจจากขูท่ที่ที่อาศัยมหาภูตรูปหรือความอายของมหาภูตรูปจากขูอันนั้นเป็นพวกสัตว์ถ้าไม่มีตันหาจากขู่นี้จะมีไหมถ้าไม่มีรูปปัญหาหรือกามะตันหาจะไม่มีจากขู่เลยเพราะถ้าไม่มีรูปปัญหาเลยเนี่ย ผู้นั้นถ้าเป็นโลกิยะอยู่อย่างน้อยก็ต้องเป็นอรูปปรมต้องเป็นอรูปปรมเพราะอารูปปรมเนี่ยละอรูป ป, ปรมนั้นละรูปประสัญญานานัตตสัญญาปฏิฆะสัญญาละสัญญาเหล่านี้นจึงเข้าอากาสานัญจายตะนะโดยบริกรรมว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดแต่ข้อพูดนี้ต้องเบื่อในกามสัญญารูปประสัญญานานัตตะสัญญาปฏิฆะสัญญา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 เป็นจิตที่รับอารมณ์ต่างๆส่วนรูปประสัญญาก็คือสัญญาในรูปประชานผู้ที่จะเข้าอากาสารัญใจ ย, ยตนะต้องสลัดจากรูปประสัญญาก็คือในรูปประชานปฏิฆาสัญญาคือสัญญาในทวิปัญจาวิญญาณจิตสิบและก็นานัตตสัญญาคือสัญญาในชวนะทั้งหลายต้องครอบงาสัญญาเหล่านี้จึงจะเข้าอากาสารัญใจ ย, ยตนะได้ทั้นถ้าผู้ที่สาเร็จอากาสารัญใจ ย, ยตนะ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 เป็นรัพย์เมื่อไหรมองเห็นศรัท ธ, ธาการตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเหล่านี้ก็เป็นทรัพย์อู้เจริญแน่นอนเพราะนั้นซั์เหล่านี้เนี่ยบางอย่างก็เรียกว่ารับกนะเหมือนกันเป็นของที่ทําให้เกิดความปราบปลื้มใจเพราะนั้นผู้ที่มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมคําคสอนและกุศลจิตเกิดขึ้นในขณะที่ศึกษาไปนั้นๆั่นนะ่ะในขณะนั้นเนี่ยทรัพย์แต่ละอย่างแต่ละอย่างเกิดขึ้น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 ถ้าทรัพย์ธรรมดาถ้ามีสตังเป็นต้นเนี่ยสามารถที่จะหาอะไรก็ได้ที่เป็นเครื่องปลื้มใจใช่ไหมอะไรที่เราคิดว่าเราปลื้มใจมากถ้าเรามีทรัพย์ทางโลกทั่วไปนี่เราก็สามารถที่จะเอาสิ่งนั้นๆมาได้เราบอกว่าบ้านเป็นเครื่องปลื้มใจก็าอาศัยทรัพย์ที่มีอยู่ไปซื้อบ้านรถเป็นเครื่องปลื้มใจเราก็เอาสตังที่มีอยู่ไปซื้อรถเสื้อผ้าเครื่องใช้สอยเครื่องประดับทั้งหลายแหละที่ว่าโอ้โหนี่ทําให้เกิดความปลื้มใจเราก็เอาทรัพย์ไปของเราเนี่ยไปซื้อทรัพย์เหล่านั้นมา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 อรหัตธรรมแบบสุขาวิปสัสสกก็สําเร็จอรหัตธรรมแบบวิชาสามก็สําเร็จอรหัตธรรมแบบอภิญญาหกก็สําเร็จหรืออรหัตธรรมแบบอสีติมหาสาวก80สิองค์ก็สําเร็จหรืออรหัตธรรมแบบอัคราสาวกก็สําเร็จหรืออัตหัตมรรมแบบพระประเจกพรพุทธเจ้าก็สําเร็จหรือจะเอาอราหัตมรรมแล้วให้ได้สัพพัญยุตยานก็สําเร็จถ้ามีทรัพย์คือสตาศีล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 ถ้าหากว่ายุคนี้นะบอกทาใจว่าจะไปไหนจะเดินไปก็ได้ไม่ในห่วงอะไรเดินไปก็ได้นะไม่รู้สึกว่าเหน้อยเนื้อต่มใจเลยนะพอแล้วจนถึงที่สุดแล้วจึงไม่มีอะไรที่จะที่จะน่าเป็นห่วงแล้วส่วนที่เหลือก็สแสวงหาอริยทรัพย์อย่างเดียว <c oughs> แล้วแสวงหาศราัทธาทำยังไงจะมีศรัทธาในกุศลธรรมมากขึ้นวันนี้กุศลจิตเราเกิดระดับนี้ทายังไงจะพอกพูนขึ้นมากกว่านี้ได้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 ทำอย่างไรจริงจะแน่นแฟ้นในคุณของประสงค์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามปฏิปทาที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงเอาไว้นี้ทำยังไงสุดตาของเราจรึงจะเกิดมากขึ้นที่จะรู้ซึ้งในพระธรรมคำสอนมากขึ้นหังก็เหลือแต่สแสวงหาอริยทรัพย์อย่างเดียวบายเลยอ ะ, ะเศรษฐกิจตกไม่รู้สักอย่างน้ามันขึ้นราคาไม่รู้สักอย่าง